ศรัทธาญาติโยมแม่วัดของหลวงพอ่อนัานที่ปีหนุนปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่ผู้บาดจาร์หลวงพ่อสงบผ้าศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาคารวะกับคารวะคู่บาดาจาร์ตามประเพณีในช่วงเทศกาลเขพาพรรษามันเป็นช่วงเทศกาลที่ไป กราบคูบาอาจารย์เพื่อมุดหนามดาหัวตามประเภทนี้ทางภาษากรรมฐานทาวารถ้ำวัดไปถําวัดคู่บาอาจารย์เพียงแค่นี้ก็เข้าใจแล้วไปถ้ำวัดก็คือไปคารวะเทตอาจาริเยประมาณเทนะกับพระเจ้าได้ประม า, พาทพลาดพังท่านพระอาจารย์ด้วยกายด้วยว่าจา๋าด้วยใจขอท่านพระอาจารย์จงโปรดโหสีหาเพราะคนเท่าหนึ่ง ถึงจะยู่ไก่ปนได้ก็ตามบางข้างมันก็ได้คิดประมาทพลาดพังไปได้อย่างบางคน่จิตใจสํานึกเอจิตหมาบ่าจิตใจสํานึกประมาทกระทั่งพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดียนะปได้มาเห็ดหยังไห้เข้าซากน้อยเลยแต่ว่าใจของเข้าประมาทไปมาประมาทเพลินแล้วเอประมาทเพลินบอกเข้ารบเพลินนะพอคิดเป็นบ่ยกประมาทในใจ แต่ว่าส่วนหนึ่งมันแลบออกไปมันประมาทนะอันนั้น ป, ประเภทจิตประเภทหมาบ้าอันนี้คือกันบางทางบางข้นบางครั้งบางกคำต่างบางว่าระของพวกเฮ้าก็คงจะมีจังสันอยู่คือกันเพราะในการประมาทพลาดพังคู่บาอาจารย์เพนายจะเป็นนักสัตว์เพนายจะเป็นนักสิ่บเานาจะพูดจังสันบพานาจะพูดจังสีพ่อใอนเงี้ยคนหนึ่งบอกจกักรจแมนว่แมนกระโหมก็ประมาทไปน้ำเขาแล้วจังสี่เป็นต้นนะ การร่วงแล้วจะเป็นมโนกรรมมโนกรรมคือเิดไปในทางที่บูถูกต้องทั้งที่พนกับปฎิเหตัญหายเห่าพนกับปฎิดาหรือวาหเห่าพนกบับปฎิดาหรือายังหายเห่าพนกับป่ิเป็นยังสั้นจิตถึงเห่าคึอดอีกต่างหากแต่เห่าของขึ้ไปแล้วก็ประมาทเพิ่นไปอันนี้แหละคือกายกรรมมโนกรรมตัวนี้แหละบางที่อาจจะเกิดขึ้นครับในจิตในใจของเห่าแต่ละครั้งจิตใต่สำนึกเพราะนั้นเห่าจึง นั่นที่เขาจะได้มากกะบคาวาผูบาอาจารย์โปรดโหสีให้ผู้ข่าเดือดผู้ขาจะได้ํารวมระว่างต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเมื่อเพิ่นให้อภัยแล้วเพิ่นให้ยกโทษให้แล้วเพิ่นบอกถือโทษโกรธเครื่องแล้วเพิ่นให้อภัยเขาแล้วพวกเขา ย, ยังประมาทชำซากอยู่มันก็บรรณีแ น, แน่คือ ก, กันพิษชาซาก หลวง่อจักจังห้อภัยจังไหนมันพิษซ้ำซากพิษแล้วพิษอีกพิษแล้วพิษอีกเพราะนั้นขอให้พวกเฮาทั้งหลายเมื่อปัให้อภัยอะไรก็จสำรวมระวังกายวาจาใจของเจ้าของนะบัดนี้กายวาจาใจของตนเอง อ, อย่าไปประม า, าทพลาดพังซสส้สำซากซ้ำซากจำเจบ่อยๆจนเกินไปมันก็บป็นใช่เรื่องของ บัณฑิตนักปราดอันนั้นเป็นลักษณะผ่าและชนคนผ่านคนซัวกานคืดจังสันเฮ้าต้องหาเหตุหาผลว่าเฮ้าไปประมาทเพินินเพราะเหตุอันไดมีความซัวอันไดนยังจี่เป็นตน้นแล้วเฮ้าเนี่ดีกว่าเพินินแมนบอสตัวของเฮ้าเฮ้าตัวของขาพระเจ้านี่ยดีกว่าเพิินทุกอย่างแมนบอ ขั้นบอดีข้อเพิินที่ไปประมาทเพลินใดจังใดนางนนเมื่อเพิินเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างพระพุทธเจ้านะตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างพ่อแม่คู่บ้าอาจารย์พระหานตสาวกทั้งหลายนะพอเขายังไปประมาทเพิินอยู่นะเข้าเลยไปว่าเป็นพาระชนเป็นคนที่บาปนักนะบูช า, าจะเป็นยังสันนะ้นอันนี้คืสิ่งเรานี่ก็ให้ทบทวน สังสอนบอกกล่าวตนเองนะไม่มีผอะไรจะบอกกล่าวได้ขั้นจะบอกออกไปก็อยากอายมูอีต่างหากักแต่มันอยู่ในใจในใจของเฮ้านะขั้นจะบอกออกไปทำไมใจของเฮ้าเป็นอย่งสีน่นาะมันจึงประมาทคู่บ า, าจารย์เป็นอย่งประมาทจึงสีน่น้อนะมันมีอยังใจบางคนมันเปลี่ยนเลยพราในเบิงเบิงนะเบิงใจเจ้าของนั่นอนะ่ะเพราะหลักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้านะเเพป็นว่าใจเป็นไงใจเป็นหัวหน้า สัมเล็ตเดาร ว, วยใจใจของพวกเฮาเนี่ยถ้าว่าคิดไปนในทางที่ดีมันก็เป็นกุศลถ้าคิดไปนในทางที่บาปมันก็เป็นอกุศลเป็นบาปนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะปี่นองศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนไอเ้เฮายึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ของพวกเฮาพ่อแม่ผูบาอาจารย์ของพวกเฮานี่สอนเนี่ย หลวงปู่มหาเขียนก็ดีหลวงตามหาบัวก็ดีหลวงปู่หลาก็ดีหลวงปู่โกงมากก็ดีหลวงปู่ฝันก็ดีหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่เข้าเคารพนับถือเหลื่อมใสว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเข้าเป็นสายหลวงปู่หมันหลวงปู่หมันหลวงปู่เสาแต่ว่าก่อนหลวงปู่หมันหลวงปู่เสาไปหัน เข้าปูหูจกักษมาเนี่หลวงปูหมันกับหลวงปูเสาเนี่ยเพิ่นยึดแนวปฏิปทาของคู่บาอาจารย์องค์ใดเพิ่นก็นบม่ได้เขียนเพิ่นก็บม่ได้บอกไว้เพิ่พนก็บม่ได้เขียนไว้เขาก็ไม่แต่มาเห็นแต่พอแม่คู่บาอาจารย์หลวงปูเสากับหลวงปูหมัน่นหลวงปูหมันกับหลวงปูเสานี่ยหลวงปูเสาเนี่ป เ, เ, นเป็นคู่บาอาจารย์ของหลวงปูหมัน หลวงปู่เสาเนี่บอคอยบอาค่อยปากบอคอยพูด น, นันน่นน่าสนใจบอกความนึงแต่หลวงปู่หมันเป็นผู้คล่องแคล่วว่องไวเป็นผูปราดเปรืองด้วยจิด้วยปัญญาแปลว่าวตีแตกฉานในอัดนายทำแต่ก็ได้ศึกษาแนวปฏิปทามาจากหลวงปู่เสาเป็นกระครลบถ้าจะว่าไปแลยก็ไปสายหนึ่งเห็นหลวงปู่เสาก็เห็นหลวงปู่หมัน พอเห็นหลวงปู่หมันก็เห็นหลวงปู่เสาในสมัยก่อนก่อนแรกๆอันหนึ่งหลวงพ่อขอบวัดก่อนเกิดขึ้นกันแต่ยิ่งแต่หลวงปู่จามหลวงปู่จามหลวงย่อมปูของหลวงพอ่อย่อมปูย่มยาขอ ง, ลงอหลวงพ่อแลือย่อมพอ่อย่อมแม่ของหลวงหลวงพอ่อย่อมพอ่ายอ่ยมอมแม่ของหลวงพอ่อกับวัดเท่าไหร่ครก็ยังห่างอยู่ แต่หลวงปู่จามนั่นนะเพื่นเคยบอกบอกยังให้ฟังสรุปแล้วคือหลวงปู่เสากับหลวงปู่หมันยังหลวงปู่เสาไปอยู่วัดน้องนองบ้านหอยทรายหลวงปู่หมันไปอยู่วัดหอยทรายน้องนองหลวงปู่เสาก็ไปอยู่ผู้ผพกักูบ้านคันแท่ห่างกันกับระม้าณเดินไปหากันกับบอม้านาสักสองสาชั่วโมเดินลัดไปหากันนี่แหละอยู่ห่างกันน่ คนไปใจก็ไปมาหาสู้กันหลวงปู่สาก็ไปสรางพระยุบันทำพระกูดทำผู้พระกูดบ้านคันแท่หลวงปู่หมันก็นยุบันน้องๆใกล้ๆวัดคุณมาคุณแม่ชีแก้วนั่นนี่ก็ยนในบ้านหอยทรายแถบๆนั่นละ่ะพนก็อบร่มพี่น้องประชาชนชดท่าห ย, ยาดิ่มลูกหลานให้เขาสินเขาท้ำอันนี้ก็คือสายของ ปฏิปทาของหลว ง, งปู่เสาหลวงปู่หมันของเฮาเป็นมาตั้งแต่นม น, นั่นว่านั้นมาถึงยุคของพวกเข้าบางนี่เออเป็นกาสอนคู่บ่ายจานของพวกเข้าสอนหลวงตามาหาบัวบังสอนหลวงปู่เขียนบังอสอนหลวงปู่ฝันบังสอนหลวงปู่เทศบังสอนหลวงปู่หล่าบังสอนหลวงปู่จามบังหลวงปู่จามก็ บวชก็จะพุ่นธรรมเจดีเลยบัดฟรดโพธิสมพรเพราะนั้นพวกเข้าในฐานะลูกหลานเหลนทั้งหลายอย่างพัวเข้าเนี่เป็นหลานเป็นเหลนในบัดหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเข้ายึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันสรุปแล้วนะที่หลวงพ่ อ, อไล่เลี่ยงให้ฟังนก็คืออยากจะให้ผัวเข้าเนี่ยยึดแนวปฏิปทา แนวปฏิปทาของหลวงปู่หมันหลวงปู่หมันพจนสอนจังไรสอนคู่บาอาจารย์ของพวกเขานี่สอนหลวงตามหาบัวสอนหลวงปู่มหาเขียนของเขาหลวงปู่หล่าของเขานี่โตปู่จามของเขานี่พจนสอนจังไรอยากจะให้พวกเขายึดแนวแถวปฏิปทาของคู่บาอาจารย์บอแมนทีครูมือนี่มันมีแวก แนลข้านเหลายๆอย่าง เ, าเขาส่งจังสันเขาเจ้าจังสีอ่หมอรู้จังสันหมอเดาจังสีอ่แล้วก็พวานาจังสันพวนาจังสันเพ่งจังสันกระสินจังสี่มีมากเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆคูเมื่อนี่ยพอวักพอแม่คู่บาดยัของพวกเฮาจากไปแล้วนี่ยลูกหลานของเฮากับบางท่านบางข้อก็อ่ออกนอกลู่นอกทาง แต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อว่าออจะไปหนีจากแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่คู่บ่าจา์เฮาเนอร์ผานองผาลูกระหลานสัทธาญาติโยมเนะอองค์หลวงปูเสาหลวงปูหมันเนพิ่นสอนพ่อแม่คู่บ่าจา์ของเฮาเนี่ยเพิ่นสอนกรรมฐานหยั่งให้เพิ่นให้ภาวนาพุโทโธเนะี่เป็นหลักเนาะเออเพิ่นห้พ่อวนาพุโทโธหายใจเขา้าพุทธหายใจออกโธ ให้ภาวน้าพุทธโธให้มีสติสัมปชัญญะในพุทโธเวลาเดินโยกรมก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลาจะก้าวย่างปฏิเสธให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวย่างของตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะให้มีพุทธโธเวลาปัดกวาดขึ้กันเวียงสายพุทธเวียงสายโทอย่างนึ่เป็นต้นนะสรุปเลยก็คือให้มีสติสัมปชัญญะในทุก อริยบทให้มากทีส่สุดอันนี้คือพ่อแม่คู่บาจันที่หลวงปู่ทิพนสอนใ ห, ให้มีสติให้ยุบ ก, กับกรรมฐานแต่เป็นยังเป็นยังหลวงพ่ออิ น, นจึงให้แน่แน่วจังสีแปลว่าเปิดบอกกว้างาเปิดใจบอกกว้างตามที่จริงนาจะเปิดให้กว้าง เพราะกูมือเนี่กรรมฐานกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจั้งมีทั้งสี่สิบอย่างกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าพันว่างไหวแต่หลวงพ่อก็บอกว่าอืมการันกรแมนถูกต้องที่กรรมฐานพระพุทธเจ้าพันว่างไหวสี่สิบอย่างแต่ว่าหลวงปู่สาหลวงปู่หมันพอแม่ครูบาอาจารย์ของเขาเนี่สายของเขาเนี่ในพราวานาจังซีในเมื่อพรวาสอนอพวกเขา ให้ทำหน้าแบบนี้แบบนี้เนอเข้าก็ต้องสอบเลี่ยนตามแนวแถวพอแม่ครูบาดยานของเข้าคันฮาว่าเข้าไปเลี่ยนใจอืน่นคันฮาว่าเข้าไปเลี่ยนไปแล้วมันผิดทีผิดทางหลงทิดหลงท่างเป็นบาเป็นบ่อไปแล้วปรารภีตั้มนี้ว่าเ้าหน้าเป็นบาบ่มเนแนวเน๊เพราะนั้นเข้าเดินตามแนวแถวสายหลงปูมันนะให้ศึกษาให้ดี ศึกษาแนวปฏิปทาของเพลนแนวแนวทางของเพลนเพลนเดินแบบไรเพลนภาวานาแบบไรเพลนหายภาวนาหายใจเข่าพุทหายใจออกโทษพุทโทษพุทโทษย่าไปหายทรงจิตไปทางอื่นเวลาจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอุปจาระสมาธิบางที่อาจจะเกิดนิมิต เ, เห็นนิมิตขื่นมากเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นผีเห็นจึงที่ เปรึงพึงปฎถนาเห็นสิ่งที่สวยงามบางังเห็นสิ่ง่งที่บัสวยงามบางังอันนี้เข้าก็ต้องอย่าไปเบิง่งอันนี้คือพ่อแม่ผู้บ่ายจานสายหลวงปู่หมันอย่าไปเบิง่งอย่าไปทรงจิตออกนอกเนอะอย่าไปทรงไปจิตไปตามนินมิตนั่นเนอะให้เอานิตเของมาเบิง่งให้กลับมาหากรรมฐานเกา่าขันว่าเห็นนิมิตเกิดขึนะ้นให้อย่าไปทรงใจไปตามให้กลับมากรรมฐานเดิมเอาภาวนาพุทโทธเนี่ ไปคับมหาพุทธโธเพรากกบมหาพุทธโทธนะทเท่านิมิตเ่านั้นมันหายไปเองถ้าหากว่าเทาตามดูตามนิมิตตามดูเรื่องนิมิตมันเกิดขึ้นทรงกระแสไปตามมัน่นมั่นจะไปเรื่อยๆนะมั่นจะไม่มีที่สิ้นสุดเพอเพอก่อนสําคัญผิดตัวเองเป็นบุคคลสาคัญเห็นนั่นเห็นนี่ภาวนาลงไปผลที่สุดก็เลยบอกออกมาว่า ตัวเองเห็นสิ่งเรานั่นแต่ตามไม่จริงเห็นแต่สักว่าเห็นซื้อมันบ่กมีประโยชน์ช่งดอกคือกันข้ามืดตาเน่ยเข้ายางไปเข้ามามาจากเนี่ยบ้านโพนกระสีมันเขามืดตามาเบิ่งเขาเห็นอย่างแน่ที่เขาเห็นมันได้มันเป็นของเขาแมนมัดแมนบ่กเห็นแต่สักว่าเห็นซื้อมันบอกเปนของเข้าหรอกมันเห็นมันพันไปซื้ออันนี้คือกันเห็นในดิมิตกัคือกันนั่นแหละ มันก็เห็นแต่ซักบ่เห็ดซื้อมันบันเปนของเฮ้าอันนี้ก็คือพอแม่คู่บาอาจารย์คนแนะนํำคนบอกกล่าวจากนั้นเมื่อทําจิตใจให้สงบทัาจิตใจให้เป็นหนึ่งได้แล้วอจิตใจร่วมเป็นหนึ่งะจิตเป็นอันไดสติเป็นอันไรสติเป็นอนไดจิตเป็นอันไรในเมื่อมบรรลุแล้วถอนจิตถอนขึ้นมากาพิจารณาพิจารณาร่างกายสังขารเป็นวัยพิจารณาร่าง พิจารณาร่างกายได้ปั่นตามแนวแถวหลงปูมันนะพ่อแม่ผู้บายใจให้พิจารณาร่างกายร่างกายของเขานี่ไม่ยั้งคนห่อนมันหลงยั้งหลงหลังหลงหลางกายตัวเองหลงหลางกายตัวเองว่าเป็นหลงเนื้ออื่นนะหลงยดหลงลาบหลงหยดรงสารเสื่ญหลงความเยอนย่อปอปั่นอันนมันยังห่างประโยชน์มันหลงกายเนี่ยนะที่แรกนะ ว่าร่างกายสังขารเป็นของเจ้บของคนนั้ไปว่าร่างกายนเป็นของขาพระเจ้าแท้ๆล่ะขาพระเจ้าออกมาจากท้องแม่เนี่ยขาพระเจ้าเนี่ยเป็นร่างกายของข้าพระเจ้าบาดนี้พระพุทธเจ้าพ่อแม่กู้บ่ายจัดลงปู่หมันพาานธิพิจณาบางรุปเหมืนแม่บอมันเป็นของเจ้าอิหลีอ่อกับพิจาานาบงรุนกัพิจนาแยกแกบงรุปแกสาผมโลมาขนนัคขาและท่านตาฟันตะโจหนัง มังสังเหนือ u, เอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกหมามหัวใจตับพังผืดไตปลอดใสใไ่ไงอาหารไม่อาหารเก่าในร่างกายเนี่ยแยกส่วนแบ่งส่วนมึงเด็มันเป็นของเจ้าของบอกบอกแยกส่วนแบ่งส่วนมึงแล้วมันโมแมนร่างกายก็คือร่างกายเออวัดในใจของเฮาไปแห่ความสําคัตว่าร่างกายเป็นของเจ้าของเป็นของนะเฮามหาร่างกายมันโมแมนข้าพเจ้าเป็นของใจเนะเออข้าพเจ้าสวัสดิภาพกับใจนะ มันกระบอกเดวายอย่างมิถะใจของเฮ้าน่ยไปหายความสําคัญมันว่าร่างกายเป็นของขาพระเจ้าคขาหนางกายอันนี้เป็นของขาพระเจ้าแต่ร่างกายมันบม่ได้ขึ้นว่างหนังกายเป็นของท่านนะมั่นกระบอกเดวายอย่างซักคำถึงมั่นแกถึงข้าวแกมั่นกระแกไปเออบางที่แกจังไรบางที่เห็นผมหงอกเออเห็นผมขาวเห็นฟันลุดเห็นตาฝ้าฟากเห็นหูตึงเห็นหนังเหี่ยว นี่แหละอันนี้ก็คือร่างกายของเฮามันไปจังสั้นปาดท่านพ่อผลได้สุดนลยร่างกายตายได้บ่อยเออร่างกายตายพ่อตายละใจของเฮาก็เป็นทุกข์ละบ่อนีลยพอเจ็บร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ลวบ่อนีลยนี่แหละเออร่างกายเนี่ยมันมันมเวเปนของจบห่อคำเป็นของเฮาเฮาบอกเอยจะแก้เนยยาเจ็บนะจะตายนะกายนะเอ่อเฮากนมันก็ต้องบอกได้ใช่ฟัง อันนี้มันบอกว่าไรใจว่าพังร่างกายนีอ่อ่มันจะเป็นยังไงมันก็เป็นตามสภาพของมันเพราะนั่นพระพุทธเจ้าเพูดว่าดวงปูเสาลงปูหมันเพราะว่าร่างกายมันโมเมนของเฮ้าในการนาร่างกายยังบ่ยังโมเมนของเฮ้าบ้านนี่ยังโมเมนตร่างกายก็ยังโมเมนของเฮ้าออผัวเมียลูกเตา่าเหล่าหลานอลบอกรดกตกถอดเลือกสวนในหน้าเงินสร้างบ้านช่อง จะเป็นของเฮาใดจังใดบันขนาดร่างกายยังเม็นของเจ้าของสิ่งมโนนั้นมันเม็นของเจ้าของนะจะไปยึดจะไปถือมันเนะ่าอันนี้แหะคือพ่อแม่กู้บาา่ายจัดสายลงปูเนี่ท่านสีสอนวิเนีวิธีแนวความคิดนะแนวความคิดนะอันนี้แหะว่าวิปัชนาวิปัสนานี่คือแนวความคิดให้เห็นตามความเป็นจริงนะเรื่องสมาธิทีนะ่ทํานคิดใจใหาสงบ จิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจเห็นเน่งในเมื่อมันเน่งแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายสังขารเพราะเป็นตัวตนของเฮาเนะแยกแ่ๆบางนุ๊อสรุปแล้วก็คือร่างกายของเฮ่เนี่หลวงพ่อเนี่เปรียบเทียบตรงไหนหลวงพ่อกับว่าเอเปรียบเทียบร่างกายกับใจหนึงหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าร่างกายคือกันกันกบรถนะจิตใจของคนคือกันกับคนขับรถ ร่างกายขึ้นกันกับรถเจ็ดใจกับคนขับรถลงพอเพียรหน้าหมดเลยมันเหมาะสมกว่าในยุคปัจจุบันนี่อ่ยุคปัจจุบันเนี่ยนไปใส่กับไปกับรถอ่าลงพอเลยมาเปรียบเทียบว่าร่างกายนั่นขึ้นกันขับรถเจ็ดใจขึ้นกันกับก้นขับรถอ่ถ้าหากว่ารถของเฮ้าเนี่ยอ่มันหมดสภาพมันหมดสภาพ ถึงใจของเข้าจะเก่งปะนะดก็ตามอมีความสามารถประดับก็ตามมากขยับขยเหร่ไกลมันก็ไปบ่อไรขึ้นกันขึ้กันกระปลดขั้นรถน้ามันมันมืดหมอน้ามันแตกเอเครื่องมันพังมันเสียโซโฟเฟอร์สิฝีเมือม่อดีประดก็ตามขึ้นไปครับมันก็ไปบ่ไรเพราะใดเพราะว่าเครื่องมันพังมันเสียแล้ว อันนี้คือกันร่างกายของเห่าเนี่ยคือกิดกับรถขั้นหัวใจแตกหัวใจมดเลือดเส้นเลือดแตกในสมองไตป้ายอใจของเห่าสิมาขยับบรนไดมันก็ขยับไปไรเพราะมันร่างกายมันตายมันแตกแล้วเพราะนนสู้กันเลใจของเห่าต้องออกจากร่างระบาดออกจากร่างกายนี่แหละในหลักธรรมขั้มสอนของพระพุทธเจ้าเลว่อเน้นยุดนี่ลระบาด อย่าว่ามาโนปุพังขมาธรมามาโนเสรามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจคือใจของเฮ้านีเน่เป็นเป็นเป็นเรื่องนะคือกันกับรถคันนี้เนี่ยโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วหรือโซเฟอร์ป้อจังสันก็บอกานาจะจพิษแมนบ อ, ะอระเออเพราะว่าเฮ้าคืนขับรถเนี่ยโซเฟอร์เนี่ พ่อขับรถสตาร์ทเครื่องหรือก็ขับรถจะพ่วงมาเลยนะเซไให้มันส้นต่อส้อนขอนบอกเนี่ไปให้ส้นตนใหม่ไว้สามันตกกลางถนนบอกให้มันส้นข้นบอกเอีอ่ยบังขับไปได้มดเมื่อพะโซเฟิร์สเป็นใงละ่ะแด็อันนี้คือกันใจของเฮาเนี่เป็นไงคายนว่าเฮาอยู่ในร่างกายของเฮาใจบ่ได้รับการอบรมที่ดีใจบ่ได้รับโมเดมีศีลธรรมจะได้ย่ธรรมจะ ด, ดีใจเป็นผูม้บ่มีศีลบ่มีธรรม ใจหดวไายท่ารุ่นใจเป็นนักเลงโตงหัวใหม่บ่ฟังข้ามไผ่พ่ออยู่ในล่างกายของเขาจะด่าไปก็ได้จ ะ, ตจะตเตะไปก็จะเตะเตะไปก็กินเหล้าเมาย า, ยายเฮ็ดใจบิดทุกอย่างไปเลยพอใจของเฮาเนี่ยบ่ออยู่ในศิลในธรรมขันว่าใจของเฮาได้รับการอบรมที่ดีได้รับการอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ย่อมรับรักเหตุและผล เพื่นหมอกจะไหนเออมกักการของไตรตรองพิจารณาโดยเหตุและผลใจเรานี่ก็ฟังแล้วก็ศึกษาพอศึกษาใจของเฮาก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอ่อพอที่มิที่เมื่อขับรถรถขั้นนี้ยก็ไปในทางที่ถูกต้องไปในตามถนนโห น, นทางพอเหตุใดพอว่าใจของเฮานี่เป็นศีลเปลี่นธรรมเลยเพราะนั้นพวกเฮาที่มาเมื่อนี้ ม่ชูวัดหลวงพ่อคูบว่าจาร์ก็มาอบรมถึงด้านคิตใจอบรมโซโฟเฟอร์นั่นแหละ อ, อบรมโซโฟเฟอร์ให้โซโฟเฟอร์มีศีลมีธรรมให้โซโฟเฟอร์มีเหตุมีผลให้โซฟเฟอร์มีคุณธรรมในด้านคิตใจประเด็นขอให้พวกเข้าทุกข์ค้นเนอะไมาสูวัดว่าศาสนานี่เข้ามาอบรมจิตใจแต่จิตใจของมันมีเหตุมีผลล่ะจิตใจมีบุญมีกุศลละเมื่อลดคั้นในพัง เมื่อลถขันนี้พังเสียหายโซโฟเฟอร์ก็จะต้องออกจากร่างกายนี่ไปหาเกิดผงอื่นอีกขั้นบมท่านหมดกิเลสนะคั้นหมดกิเลสก็บรรวาการขั้นบอท่านหมดกิเลสเนี่ยต้องมาเกิดอีกเกิดข้าวหนาจะเป็นอย่างการถวาเห่ามีทุนทรัพย์โซโฟเฟอร์หาทุนทรัพย์ไว้พระสวดมนต์มีศีลมีธรรมนั่นานางพ่อวนา มีคุณธรรมใ น, ในใจิตแน่ใจออกจากล่างนี่กันนะไปเกิดเออสวรรค์ชั้นฟ้าได้ขันว่าเฮาเหตแต่ความซัวเมื่อตายออกจากมนุษย์นี่แหละไปพรงตะะําแล้วอ่ไรโต๊ะนรกหมกใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์ติราชานหน้าหน้าชนิดเป็นใดมัดทุกอย่างเลยมนุษย์เฮาหนินะอย่าไปคิดว่าเฮาเกิดเป็นข้นจะเป็นคนตลอดไปบ่แมนเด้นี ออกจากนี่อาจจะเป็นหมูหมาขาไก่เป็นยังกระดาษมัดนะขนาดผัวเข้าจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอเออได้พบเกิดมากได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ศึกษาให้ศึกษาให้เรียนรู้นะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยนะกายกับใจใจ ก, กับกายนี่ยนะและวก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปูหมันเอาไวน้นะหลวงปู ผู้บาดใจะนะเนี่ยพ้นสอนจากไหเพ้นสอนเป็นศีลเป็นธรรมเนีศึกษาให้ดีหนะ่าแต่และแต่และองค์เนะ่ยเมื่อพ้นจุดติในละพานเมื่อพ้นตายไปแล้วนะกระดูกพ้นก็นเป็นพระธาตุให้เห่าได้เห็นได้กราบได้ไหว้นี่แหละคือกระถากระดูกของพระอรหันต์กระดูกของพระอรหันต์คือเม็ดกลมๆเป็นพระธาตุอันนี้คือการนั่นนะเหาก็ได้เห็นตำหูตำใจของพวกเห่า การขอให้พวกเข้าลูกหลานทุกผู้ทุกคนนะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ของพวกเข้าให้มันคงแล้วก็ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมให้มีศีลแลธรรมเจตญาธรรมที่ดีน ะ, ะไหวพระสวดมนต์กรรับก่อ น, นอนนังภาวนายากหน่อยย่าให้ขาดมือรหาหนัาที่ซิปนัทที่ก็ดีก่อนนอนพุโทโธพุโทโธพุโทพโธสาขาหนัทที่ซิปนัททีก็มีประโยชน์นะ เพื่อเป็นการตะล่อมจิตตะล่อมใจบ่าให้มันปุ่งฟุ่งคิดปุ่งฟุ่งซ่านจนเกินไปนะออการก้าวสำมโธธนิยกมทำสมโธนิยกถามันนี่เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติโดยอำนาจคุณภาษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพีนองลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเถิน